สำหรับตอนนี้เราก็มาว่ากันถึงพื้นฐานในการปฏิบัติลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดเริ่มรวบรว ม, รวมกําลังใจให้เป็นสมาธิให้ทรงตัวเมื่อกำลังใจรวบรวมเป็น ส, าาสมาธิเป็นทรงตัวคำว่าสมาธิเป็นทรงตัวนี่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านกำเป็นั่งขนาดไม่ให้ใจเลย และก็มานั่งตรวจอารมณ์ของเราในด้านบรามีสิเป็นต้นว่ากำลังจิตของเราเนี่ยพร้อมในการให้ทานเป็นการทำลายความโลภหรือเปล่าหรือว่าจิตยังปรารถนาการสะสมอยู่นั่งไครโควนจิตของตนดูสิ่งของเราคนไหนบกพร่องบ้าง นั่นดูเนคขมะหรือว่าเวลานี้เราถือบทเริ่มบทเพื่ออะไรเราบวทเพื่อตามคําปฏิญาณว่านิพานัสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังไเหตวาถือว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัเพื่อทําให้แจ้งสังภณิพานทางใดหนอที่จะเข้าถึงสังภณิพานและทางใดมันจะตัดนิผ่านทางนั้นทิ้งมันไปเสีย เรากำหนดจิตเฉพาะทางพินพัน์นอย่างเดียวสำหรับปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องกันห้าที่มันเป็นทุกข์ควรหาการที่เหตุให้เกิดถึงความทุกข์ควานหาปฏิปทาที่เข้าถึงความดับทุกข์นี่เรามีพร้อมแล้วหรือยังแต่การดับทุกข์ตัวนั้นมันเข้ามาถึงเราแล้วหรือยัง ความเพียรคืออารมในการต่อสู้ไม่ท้อถอยต่ออำนาจของกิเลส ท, ที่เข้ามายุ่งกับจิตความอดทนกับอารมณ์ที่เข้ามาต่อต้อตานความดีของเราสัจจะทรงความจริงใจไว้เสมอจะไม่ท้อถอยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเราจะใช้วิธีการต่อต้อตานกินเลสทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด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 ต่อเรื่องเขาขันห้าทั้งหมดเรื่องวางเฉยต่อโลกกระทำทั้งหมดยาวจิตเข้าไปสนใจกับโลกกระทำนี่อารมณ์ที่เราจะต้องทรงเป็นประจําทุกวันทุกวันและทุกขณะจิตให้มันทรงอารมณ์อย่างนี้ตลอดแล้วก็ในด้านจรณะสิบห้าจรณะสิบห้านี่มันต้องครบอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่สักว่าจะเข้ามาบวชไอบวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้แบบนั้นมันสีพผ้าเหลืองสึกไปกบเปลืองพลายบวชเพื่ออาศัยศาสนาบวชเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนี่เลิกกันทะทีสำหรับเจริญนาถีภาคในจังคุมตลอดเวลาคือหนึ่งศีรสมถะถึงพร้อมได้ศีลศีลต้องไม่บกพร่องสองอินทรีย์สงวร สัมรวมตาหูจมูกลิ็งกายเอาใจเข้าไปคุมอย่าไปยุ่งกับรูปอย่าไปยุ่งกับเสียงอย่าไปยุ่งกับกลิ่นอย่าไปยุ่งกับรสอย่าไปยุ่งกับการสัมผัสแค่อะไรขันติกเกวเบขาในบารมีสิบถ้ามีอยู่แล้วมันสรงได้ถ้ามีปัญญายอยู่แล้วมันก็สรงได้นี่ถ้ามีบารมีสิบของทั้งหลายเรานี่ไม่ยู่ สามโพยเนมตันยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่โลบในอาหารและก่อนจะกินก็ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรียริโกูเดสัญญาเป็นปกติอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในเสียอาหารอย่าติดในกลิ่นอาหารอย่าติดอย่ากินเพื่อความอุ่นที่อย่ากินเพื่อความห่องใส อย่ากินเพื่อหมายอ ย, ากกย่ายังกิเลสให้เกิดขึ้นกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นอยู่สักแต่ว่าการกินอย่างไหนเขาบอกอร่อยอย่างนั้นอยาแตะเข้าไปเจ้าของบอกอันนี้อร่อยค่ะน่าอร่อยครับอย่างนั้นเราเว้นเลยอย่ากินของที่ใช้คำว่าอร่อยอย่ากินถ้ามันคิดว่าจะอร่อยติดในมันเลิกกินซะกินอย่างอื่นต่อไป กินอย่างจร์เคชาคลิยานิโยคประกอบความเพียรอยู่เป็นปกติที่ผมบอกว่าภาวนาพิจารณาอยู่ฟังเสียงเทพเปเครื่องสอนอยู่เป็นปกตินีห้สาสตากความเชื่อต้องใช้ปัญญา ยาเจียวส่งเด็กใครเขาสอนมาเขาแนะนำมาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทบทวนตามหลักสวทีิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าปัญญาพิจารณาดูว่าคำสอนนี่เป็นผลแห่งความดีเป็นผลความสุขหรือเป็นผลความทุกข์เป็นเครื่องตัดกิเลสหรือเปล่าหิริอายความชั่วโอตปะกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์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 เราต้องการพนิพาณปัญญามีเวแล้วในบารมีสิบรู้สภาวะตามความเป็นจริงของขันห้าไม่มัวเมาในขันห้าตัดขันห้าทิ้งไปใช้อารมณ์ตัดไว้เสมอว่าทุ่มให้ฌานฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่พยายามทรงฌานไว้เสมอเป็นปกติแล้วก็มาดูอารมณ์ตามใจ ถ้าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้นก็ใช้กายกะตาโนสติก้าสุปกรรมฐานตัดมาเสียถ้าอารมณ์ความโกรธความเพียรบายเกิดขึ้นแล้วก็ใช้พรหมิหารสีหรือว่าสินสีคือสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวตัดมาเสียถ้าอารมณ์มันวุ่น ง, งานตัดสินใจอะไรไม่ลงได้แต่โมหะจริกกตกวฏตกจริต ก, ก็ใช้อนาปานุสติโดยเฉพาะ อย่าไปใช้คำภาวนามันจะยุง่งให้เดินนับก้าวนั่งนับโลกะคำนั่งนับโกรธนับายก็ได้มองอะไรเหม่อโดยเฉพาะดูพระพุทธรูปดูวัตถุ ก, ก็ได้ถ้าศรัทธาจะริกเกิดขึ้นก็จับอนุสติหกประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติชาคานุสติเทวตานุสติ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นศรสนาพรารมณ์โฟมันต้องการรับก็รับในสิ่งที่ดีถ้ามีความเฉี่จริญหลัดมียรมโปรก็ใช้มรณานุสติอาหาเรปฏิโกรสัญญาเจตุธาตุดันสีวะฐานสีอุปสมานุสติกถ้าหากว่านิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นนี่อาการตัดนิวรณ์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 ฟังเสียงให้หลับไปในเมื่อมันจะทนไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปทนมันจะเป็นโรคสิตประสาทเปิดบันทึกเสียงตาอารมณ์ที่เราพอใจให้มันหลับไปก็เสียงที่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้มันไร้ไประโยชน์นี่อารมณ์ฟุง้งซ่านอารมณ์ฟุง้งซ่านก็ใช้อนาปานสติเดี๋ยวว่าหาวิธีการแก้อารมณ์ฟุง้งซ่าน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 และใชอารมณ์อย่างนี้ไว้เสมอการคุยกันเรื่องตีระชันราคาทาพักงดไปเลยแต่ขาดแยะมันมีและก็บริโภคความกังวลห่วงน่นห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่งเมียห่วงผัวห่วงลูกห่วงเต้าห่วงทรัพย์หงสินตัดมันทิ้งไปเราตายเ d าแบกไปได้ไหม อย่าไปแบกความโง่โยที่แล้วเขา้าบดเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาแ้วต่อไปเวลาจะเดินปฏิบัติหรือจะไปไหนก็ตาม5ห้อารมณ์มันทรงตัวอันดับแรกแล้วก็จับอริยสัจอริยสัจนี้ให้มันทรงตัวอยู่คือพิจรารณาเห็นความทุกข์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 ผูกพันในบุคคลสัตว์และวัตถุแล้นั่งพิจารณาว่าคนเราทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเต็มไปได้วยความทุกข์การท่องประกอบขีดกายงานเนี่ยมันเป็นความทุกข์เราขณะที่เดินบิณบำบัดกระเพาะใส่ความทุกข์เป็นปัจจัยมันต้องบินบำบัดพ่ะอะไร่เป็นไม่อย่างนั้นความหิวมันบีบคั้น การเดินไปป็นาบัยก็เป็นทุกข์มันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแทนที่จะนั่งส บ, บายนอนส บ, บายมันก็ต้องเดินไปแล้วเวลากินมันก็ยังเป็นทุกข์อีกเ็ อ, อะไรอาหารที่มันควรแกเราหรือไม่ควรแกเรามันก็ไม่แน่บางทีมันมีอย่างนี้ใจปรารถนาอย่างโ น, น้นถ้าไม่ได้ตามความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องห้ามมเสีย ว่าการของขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดผมจะพูดให้ฟังได้ย่อๆเพียงแค่คําข้าวคําเดียวการรับคําสอนมาท่านบอกว่าข้าวก่อนจะกินเข้าไปในปากมันทุกข์คือเรากินทุกข์ถ้าเรายังเกิดมาเพื่อกินอีกมันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลา เพราะคำข้าวที่จะเป็นข้าวสุกเราจะกินก็ต้องใช้มือใช้ช้อนตักมันเป็นงานสำหรับรำนี่มันเป็นอาการของความทุกเวลาที่เรานั่งกินเนี่ยควรจะเป็นเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนอนสบายอย่างที่ท่านเทวดาหรือผมหรือท่านอิ้านิพานไปแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องความกินของเราความกินที่มันเป็นทุกอย่างนี้ ก็ น, นี่เรามันเร็วเสื่อเกิดมาหาความทุกข์เพราะอำนาจการติดในกินเลสตัณหาอุปาทานและผสลสุลกรรมแล้วเมื่อกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเวลาจะกินอยากกินถ้ากินไปแล้วล่างมือล่างปากมันเหมือนในของที่เราจะกินเข้าไปนี่มันสะอาดและสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆแล้วก็จะไป ล, ล่างปากล่างมือมาทําไม เป็นอันว่าเรากินของทุกข์เข้าไปของที่ได้มาจากความทุกข์ร่างกายมันก็แบกทุกข์เรากินของสุขบปลุกเข้าไปร่างกายมันก็สุขกปลุกสําหรับข้าวสุขที่จะเป็นเข้าสุขได้มันเป็นข้าสารมาก่อนกว่าจะเป็นเข้าสารต้องซ้อมต้องสีต้องตำต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นเข้าสารมามันต้องออกแรงมันก็ต้องเป็นทุกข์ แั้เป็นข้าวสารแล้วก่อนจะกินเขาต้องหงต้องหาต้องหาเฟืนต้องหาเตาต้องหาหน้ำต้องหาหมอมาประกอบกิจการงานไปควบคุมการงานให้ข้าวเป็นข้าวสุกนี่มันก็ทบก็มันเหนยผมจะพูดใน้ฟังใด้ย่อๆถอยหลังลงไปทีข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวเปลือกมันก็ต้องหาต้นข้าว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 เมื่อต้นข้าวออกโรงแล้วสุกแล้วก็ต้องเกี่ยวการไปเกี่ยวข้าวกับแบกการของความทุกข์แบกบหามข้าวเข้ามากว่าจะเป็นข้าวเปลือกเป็นไม่เข้าชฉามได้ก็ต้องใช้แรงงานมากมันเป็นทุกข์นี่ท่านอาศารมไปว่าข้าวคําเดียวเนี่ยก็ในนาในาก่อนที่มันจะเป็นนานมันเป็นป่าชัดต้องไปฟันต้นไม้ท่านลองนั่งนึกซีไว้ฟันต้นไม้ทีละต้น มันเหนื่อยหรือมันไม่เหนื่อยต้นไม้คนมันแล้วต้องบั่นเป็นท่อนลากต้นไม้ไว้เพื่อค้นพื้นที่มันเหนื่อยขนาดไหนคนต้นไม้มาแล้วก็ต้องขดต่อไอ้นาเดียทําข้าวมาพอกินเนี่ยมันใช้คนต้นไม้ต้นเดียวพอไหมต้องคน้นกี่ต้นมันเหนื่อยขนาดไหนมันลากต้นไม้ถอยเต้นไม้ไปแล้วก็ต้องปรับพื้นที่ให้มันดีทําเป็นคันทําพื้นเรียให้เรียบ มเมื่อทำพื้นที่เรียบร้อยดีแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ในการทานามาหาวัวหาควายหาไถหาขา้าวโพดหา อ, อุปกรณ์ต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาด้วยอาการของความทุกข์เห็นความทุกข์ทุกอย่างก่อนจะจริงเข้าเข้าไปคาหนึ่งคิดถอยหลังลงไปเสื้อผ้าแต่ไรชิ้นที่เราจะมีใช้มันมาด้วยความทุกข์มาจากการงาน วัตถุแต่ละชิ้นที่เราจะได้มาใช้มันมาด้วยความทุกข์บางทีเราไม่ทุกข์แต่ว่าชาบ้านเขาทุกข์เรากินทุกข์ของชาวบ้านเขาเมื่อเชาวบ้านเขาทุกข์แล้วเขาหาสิ่งที่มาให้เราได้ได้วยความทุกข์เราก็ต้องทําตัวเป็นโูชนยบุคคลที่ดีอย่าทําตัวเป็นเปรตเพื่ออาศัยเขาอยู่ที่เรียกกันว่าปราัตตตัวปชีวีเปรต พระรัตพระตูประชีดีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยการเครือขูนจากบุคคลอื่นในสภาพของเราปกติเป็นเปรตแต่คนจะเป็นเวมานี่ก็เปรตคือเปรตที่สามารถจะสร้างวิมานให้ตัวอยู่ได้เองด้วยแล้วก็สร้างวิมานให้ชบ้านเขาอยู่ได้ด้วยด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มองอาหารมองวัตถุมองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดมันได้เพราะอาการของความทุกข์สถานที่อยู่ของท่านอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่กระแสไฟฟ้าน้ําก็ดีที่อยู่ก็ตามแม้เสียงที่ได้ฟังคําสอนนั้นมันก็มาจากความทุกข์ที่ผมสร้างมันขึ้นมาด้วยความเหนื่อยแล้วผมจะทาขึ้นมาได้กับว่าใส่ชาว บ, บ้านเขาก็ต้องทุกข์เขาหาเงินหาทองมาได้ด้วยความทุก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 เรื่องผู้ปกครองของท่านเรื่องบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจะเป็นคนเช่นไหนก็ตามเขาจะทำบุญจากมาในการสร้างวัดมาและกี่ล้านก็ตามถ้าว่าท่านเสียผมจะไล่ท่านออกไปเขาจะมาค้านผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ขดขาดผมถือว่าคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนต้องมีบารมีสิบครบต้องมีจรณะสิบห้าครบ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 จงจำให้ดีนะว่าสถานที่นี้ต้องการคนประเภทนี้ตอนนี้เมื่อเราพิจารณาหาทุกจากวัตถุ ก, ก็ดูทุกจากบุคคลนล้วดูความสุขกระบอกจากบุคคลคนที่ก็เดินไปเดินมาเข้าควางโคกันเขาเดินไปได้วยความสุขแต้ว่าก็เดินไปได้วยความทุกข์นั่นต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างสงสัยซึ่งกันและกันทั้งนั้น เกรงว่าต่างคนต่างจะไม่รักกันจริงจ้าใจออกห่างสิ่งกันแะละกันนี่เขานั่งเราวค่ครองทุกทุกโคกครองไม่มีใครไว้วางใจกันจริงต่างคนต่างมีทุกหัวห่วงเมียเมียห่วงหัวเกรงว่าจะนอกใจหัวห่วงเมียเมียห่วงหัวเกรงว่าจะใช้ทรัพย์สินมากเกินไปใาทรัพย์สินไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ควร ถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เต็มไปด้วยการของความทุกข์นี่มันทุกทุกอย่างมันทุกไปหมดมองให้มันดีมืมองเห็นคนเป็นทุกข์มองเห็นวัตถุเป็นทุกข์แล้วก็มองหาความจริงของคนและสัตว์และวัตถุว่ามันสะอาดหรือสกปรกนี่ในขณะเดียวกันเห็นคนก็เดินผ่านไปผ่านมาดูข้างนอกก็มองข้างใน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 มันเป็นของเหมือนมันห่ออยู่ข้างในถ้าลักษณะหน้าตาผิวพรรณสวยก็นึกว่าผ้าแพรหออ่าจาระถ้าลักษณะผิวพรรณข้างนอกไม่สวยก็แสดงว่าผ้าดิบมาหออ่อจาระหรือว่าก็สอบหออ่อจาระ <c oughs> ทิศถึงความรังเกียจในร่างกายของเราและของเขาให้อารมณ์มันส่งตัว นึกคิดถึงต่อไปว่าคนทั้งหลายเราก็ดีเขาดีจะทรงสภาพอยู่อย่างนี้เลยในที่สุดมันก็ตายหมดในเรื่องแก่เราแซ่บแล้วในที่สุดมันก็ตายทําอารมณ์ใจให้มันทรงตัวอย่างนี้เป็นปกติอย่าสนใจการนินทาประสางสัมผัสนินทาระสังเสริญอย่าสนใจนรื่โลกกระทำทั้งไปไปการอย่าสนใจ มันมาอย่างไรก็ให้มันไปอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถือเอาไปเป็นเรื่องเป็นสาระเป็นขีดสารอาวคันถาธุระทำทุกอย่างแต่ว่าจงอย่าติดใจว่านี่มันเป็นเราเป็นของเราเมื่อทําทไปเดี๋ยวมันก็พังทําไปเดี๋ยวมันก็หมดแต่ก็เราก็ทําทํำด้วยนัยของเมตตา สงเคราะห์คนสงเคราะห์ท่านพิสุสมณเนนที่จะมาทีหลังทำโดยการสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อความประสงค์ให้เขาชมเขาเฉยเรื่องคำชมของบุคคลอื่นนยยกเว้นสช่ใครเขาจะว่าดีกว่าฉันใครเขาว่าชฉวกว่าฉันเราทำให้มันถูกตามเราทำมาวิ น, นัย เราคิดอย่างนี้เราเพื่อประโยชน์อะไรอารมณ์ใจเราตั้งไว้เสมอว่านิพานัาสสสจิกิรยิยายะเอตังกาสาวังไเอตวาข้าพเจ้าขอรับผ้ากาวสาวะพัทเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพานธ์อารมณ์ทรงตัวเพื่อนิพันธ์ใครจะหาว่าบ้าวันหลังก็ช่งางใครจะหาว่าคนสมัยนี้ถึงนิพันธ์แล้วไม่มีก็ช่างมันเป็นเรื่องของเขานี่มันเป็นเรื่องของเรา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 แล้วทำไมความเป็นพระอริยเจา้าความเป็นฌานสมาบัติธรรมนิพพานทำไมจริงจะยังไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าเราทำตนเป็นปรัฐตถุปชีวีเปรตบวชเข้ามาเพื่อหวังจะเอาเปรียบชาวบ้านใช้ทรัพย์ใช้สิ่งของชาวบ้านเขาที่เขาหาเข้ามาโดยยากแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเราเป็นนักบวชเท่านั้น เราสำหรับคัเศษหน้านี้ก็มองดูเวลาก็หมดไปซะแล้วนี่ยี่สิบเจ็ดนาทีเศษคอยรับฟังข้อวัดปฏิบัติในหน้าต่อไป